ขอความเจริญในธรรมจึงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโภติยานกําลังนําเสนอเรื่องยานในกรอบกรอบข้อคายต่างๆแล้วก็ชื่อที่แตกต่างกันออกไปตามปกติแล้วเราจะพูดถึงสิ่งที่มันเกิดผุดขึ้นไปในใจผ่านการปฏิบัติพัฒนาจิตจะมีความสงบแล้วยานเกิดผุดขึ้นไปในใจก็เป็นความรู้ที่พิเศษ เพราะว่าทําหน้าที่กระจัดกิเลสออกไปได้แต่ในขณะเดียวกันระดับที่ลดหลั่นลงมาเนี่ยคนเราก็ต้องมียานที่อยู่ระดับหนึ่งมันก่อนก็ได้พูดถึงปัญญาที่แตกฉานในอ่านปัญญาที่แตกฉานในธรรมตรงนี้ที่จริงเป็นถ้าสมบูรณ์เนี่ยมันก็เรียกปฏิสัมพิทาสีนะแล้วเราอาจจะไปเจอในพวกสัพพิสธรรมถึงธรรมะที่เรียนกันระดับทักธรรมยันตรีทั่วๆไปนักเรียนก็เรียนกันอยู่เนี่ย ข้อต่อไปก็เรียกว่านิรุติปฏิสัมพิทายานปัญญาแตกฉานนิรุตินิรุติก็คือภาษานะครเราเห็นว่าภาษาในมนุษย์เราถ้าแตกฉานในภาษาได้มากมันก็มีโอกาสได้มากคือถ้าเราเก่งภาษาอย่างเนี้ยอย่างคนรุ่นใหม่ต่อไปเนี่ยจะน้อยที่สุดนี่ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยก็จะเก่ง จะสามารถติดต่อสามารถจะคุยกันในทางอินเทอร์เนต็ตได้สามารถซักถามสอบถามตลอดถึงสั่งของสสินค้าอะไรอะไรเนี่ยอเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะมีส่วนเข้ามามากแต่ถ้าเราเกิดมีปัญหาขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งช้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษถ้าไปต่างประเทศมันก็อึดอ่นนะจะต้องมีล่า ม, มีอะไรก็วุ่นวายอะไรเก่รู้สึกว่าเป็นภาระแกะคนอ่นมาก แต่แน่นอนแหละคนเราไปยะแตกฉานทุกภาษากันไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดในภาษาของตัวเองเนี่ยภาษาตัวเองจะต้องแตกฉานมากพอแล้วก็เป็นพระเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในภาษาบาลีแตกฉานพอสมควรเนี่ยนะถึงแม้จะไม่เป็นนักปราดทางภาษาทางนิรุติศาสตร์จริงๆมันก็หายากกันนะเราจะเห็นว่าการใช้ภาษาที่สลัสลวยไพเราะน่าฟังเนี่ย มันมีมีไม่มากหรอกนเพอมันถึงถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องแตกฉานจริงจริงก็คล้ายๆกับการใช้ภาษามาสุดทอนพูนี่เราจะเห็นว่ามันมันเคลื่อนไหวได้มันเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นแล้วเราอ่านแล้วเนี่ยมันเราถูกดึงเข้าสู่จินตนาการต้งนั้นดึงเข้าสู่บรรยากาศซึ่งเราหาเราหาคำกรในลักษณะ น, นี้ได้ยาก ตามปกติแล้วมันก็แข็งไปนะมันมันไม่ไม่เกิดแรงบันดาลใจที่ว่าคล้ายๆกับเราไปยืนดูอยู่ด้วยไปเห็นบรรยากาศเป็นภาพสามารถที่ถ้าเราเขียนเป็นใน้สเก็ ต, ตออกมาได้หรือว่วกพวกโครงโล ก, ก น, นิสอะไรก็มีลักษณะอย่างนี้จึงมีโครงหลายๆบทที่พออ่านจบเนี่ยมันมันสเก็ตภาพได้ในเช่นนาคีมีพิดเพียงสุริโยเลืย้ยบ่อทเดโช ช, ช่าช้า พิดน้อยหญิงเยโสแมแรงป่องชูแต่หางเอองอปวดอ้างฤทธีอย่างเงี้ยสเก็ตภาพได้เลยหรือว่าเหมือนกันเรื่องพระภัยมณีเนี่ยบดเดียวเสียงเงียงงังบงเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแล่จะแงาหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปนั่งอย่างบรรพดจะสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์เป็นแสนสุดตึกล้ําด้วยกําหนดตะวันพันเกลียวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดรมาหนึ่งในน้ําใจคนว่าไปเร่มนุษย์นี้ ที่รักสองสถานบิดามานดารักมักเป็นบนโเหินเป็นภาพนั้นแสดงว่าเก่งมากการใช้ภาษาในใช้ภาษาได้ดีมากๆมก็เหมือนกับที่เขาเล่าถึงโครงศีปราดที่ว่าพวกสนุมในวังก็เตรียมคำโครงเอาไว้เพื่อจะต้องการเล่นงานศีปราดให้จำนวนก็เสนอตัวนอหมดเลย พอเจอหน้าปับเขามาเนี่ยร่นโครงขึ้นมาเลยไม่ใช่ด้นที่จริงก็ท่องมาแล้วนก น, อน้อยนอนแนบน้นนําในนาสีบาดตอบทันทีเลยตมเติ่นติดเต็นตาตื่นเต้นเขานอนล้วนท่านก็นตอล้วนนะฮะพวกนี้ไม่ได้คิดบาทที่สามเลยถือไม่ได้คิดว่าเขาจะตอบได้เลยก็กลายเป็นโครงที่เหลืออยู่สองบาดบาด ท, ที่สามกับที่สี่ไม่มี นั่นแสดงถึงถึ ง, ถ, งถึงการการใช้ภาษาที่ใช้ได้เก่งแล้วมันมันตื่นเต้นมันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับสุดทนผู้ก็ใช้สระ อ, อินสระอินในเรื่องประเพณี ใ, ใช้ทั้งสองแห่งก็ถือว่าเก่งเก่งมากๆเพราะว่าระ อ, อินในภาษาไทยมันมีอยู่แค่สี่คำนั้นเองแล้วก็สุดทนผู้ก็ใช้ได้เอาไปใช้ได้อยู่สองแห่ง ก็ตอนที่ปราภัยมณนหนีหนางผีเสื้อสมุด ต, ตอนเรือแตกนาทีหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยตอนที่ไปไปสุสารไปเห็นฤาษีชีเปลยเนี่ยหมดถึงเขาครา ว, าวถึงนมผมถึงตีนมาแจกกินเททไทก็ใช่ทีนี่คือคือเราจะเห็นว่าเป็นความแหลมคมแล้วก็ภาษาเนี่ยมาร้อยกรองก็ได้สละสลวยไปรอบ ประสบความสำเร็จอย่างสูงก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์นะเป็นบรมครูทางกรเลยเวลาเราอ่านในที่อื่นบางทีเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างคากรที่โครงหรือว่าวันกรอนคือมันไพเราะแต่ว่ามันไพเราะสมรับคนที่มีความสนใจในเรื่องชีวิตเรื่องศาสนา ที่บอกว่ายศได้ลาผ่านไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปบอกไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้า จ, า จ, าจาอาอะสุขสนุกสนานจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามามันเกิดเป็นภาพเหมือนกันภาพเหมือนกันที่ที่ไพเราะมากก็ถือว่าไพเราะมากคืออ่านทีเดียวจําได้เลยแล้วเราก็สืบหาคนเขียนว่าคือใครเนี่ยยังหาไม่เจอ มีคนเขาบอกว่าเป็นพระรูปหนึ่งอยู่ว่าสุทัศนเป็นพระออกคู่ดวงจาริกทำกรรมฐานอะไนเนี่ยไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครเท่าไหร่แต่ท่านก็เขียนไว้ก็จำทรงกันมาก็ลากไปให้ของหลวงพ่อพุทธทาสบ้างศาสนาโสพลแจมบ้านจริงไม่ใช่อะ่ะนั่นเป็นของของใครแต่ต้องเป็นพระนะต้องเป็นพระแล้วต้องเจริญกรรมฐานมา มันเป็นภาษาใจมันไม่ใช่ภาษาทางวิชากา ร, รเป็นภาษาใจก็แสดงว่าท่านก็ต้องเห็นธรรมะแล้วก็พูดออกมาอันนี้ก็คือภาษาได้ก็สละสลวยข้อต่อไปนั้นเป็นเรียกว่ายาณวิวัตยานัญญาในความว่างเปล่าในความหลีกไปด้วยญาณหมายความว่าปริชายานอย่างรู้พิจารณาในแนวของสุญญาตาแนวก้อนนตตารือ แ, แนวของสุญญาตาเนี่ย แล้วก็เห็นนโลกไม่มีอะไรอย่างที่พระเจ้ารับสั่งแก่ท่านโมคราชว่าดูก่อนโมคราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของบ้างแล้วก็ถอนอัตานุทิชฌ์คือความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นตนตนของเราออกไปเนี่ยถอนไปได้แล้วมัธุราชก็จะตามไม่ทันสิจะหลุดพ้นจากอานาจของความตายพระโมคราชฟังแล้วพิจารณาตามก็บรรลุมรผลเป็นพระหันไปเพราะในนี้ก็คือเกิดขึ้นจาก การเจริญอนัตตนุปัสนาหรือเป็นความความเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกข์เขานัตสัญญาคือการกําหนดหมายเห็นความไม่ใช่ตัวใช่ตนในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือขันธ์หน้าเนั่นเองและในที่สุดมันก็เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วก็จะเกิดบรกหน่ายคลายกับหนัดทายถอนจิตออกไปจากเรื่องดอกนั้น ก็ต่อไปเรียกว่าวิวโมกโมฆะวิวัตยานเป็นปัญญาในความสลัดออกแล้วก็หลีบไปแห่งจิตด้วยวิโมกอันนี้ก็พ้นไปเลยนะฮะหมายความว่าเป็นจิตที่หลุดพ้นจากอํานาจกิเลสถ้าเราดูตรงนี้มันก็เหมือนกับที่ทรงแสดงแก่แก่พระบัญญวคีนะฮะในช่วงตอนสุดท้ายแล้วก็ประสูตยเตอนนี้จะปรากฏเยอะ มาดูก่อนภิกูจทั้งหลายนิยสสาวพวกพิจารณาเห็นอยนู่อย่างนี้ย่อมเบือรนายในรูปเวทนาตัญญาังการวิญญาณเนี่ยเมื่อเบอร์นายก็จะกลายกำหนัดประคลายกำหนัดจิตก็ค้นตรงเนี้ยมันพิจารณาเห็นแล้วก็จิตกค็ค้นก็กลายเป็นวิโมกข์เดีข้อต่อไปเขาเรียกว่าสัจจะวิวัตยานปัญญาในความหลีกไปด้วยสัจจะหมายความเม่อเมื่อมองเห็นเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น ไม่ควรแก่การที่จะเกี่ยวเกาะที่จะยึดติดที่จะผูกพันที่จะอาโหยหาอะไรแล้วเนี่ยก็ทำตนสลัดออกคือหลีกไปจากสถานที่นั้นฉันยกตัวอย่างท่านพระเทรวรูปหนึ่งชื่อเนี่ยคงไม่ใช่ชื่อนั้ น, น, นเลานะท่านชื่อว่าจิตตหัตถะคือหมายความว่าประพฤติตัวเองไปตามใจตัวเองไงใจคิดยังไงก็ทำไปเรื่อย ท่นเทีย่ยบวชเทีย่ยวศึกอยู่เนี่ยเจ็ดครั้งนะครบวชเจ็ดครั้งศึกเจ็ดครั้งความคิดในการบวชก็คือว่าบวชเป็นพระนี่ก็สบายดีไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วก็บวชพอบวชแล้วก็ไม่ได้เห็นเป็นความสบายหรอกแต่ว่าเห็นว่ามันก็เป็นชีวิตอิสระก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ระเบยียบพินัยดีอยู่เดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งก็คิดถึงเมียก็ศึก ไปสุดไปทํางานเหนื่อยกับกับเมียบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรอะไรบ้างก็บวชบวชบวสึกสึกสึ ก, ส ก, สกบวชบวอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยพัญญามีท้องแล้วก็ท้องแก่ขึน้นแล้วตัวเองก็ไปทําทํานานะฮกลับมาที่บ้านเพื่อจะมาเอาผ้าจะไปอาบน้ำอะไรเนี่ยเนะี่ยเลยเข้าไปถึงไม่เจอพัญญากำลังนอนหลับแล้วผ้าผอมก็หลุดลุย่ย ก็กังท้องแก่นะฮะท่านก็ยืนกลนกลด้วยน้าลายไหลโดยก็ยืนพิจารณาไลยพิจารณาจนเห็นความไม่เที่ยงแท้แนะ่นอนความปฏิคูลของสัตว์สังสังขารทั้งหลายไม่ควรยึดมัน่นหรือมั่นเนี่ยมันมันยานความรู้ต่างๆที่เก็บสะสมมาเนี่ยมันก็เกิดจะเริยวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันไลยตรงนั้นนะเน่ยเมื่อเสร็จแล้วก็หันลังกลับ ออกไปไปบวชอะไรทีนี้แม่ยายสงสัยท่าทางลูกเขยแปลกไปก็เลยก็เข้ามาดูเห็นลูกสาวนอนอยู่ไม่เรียบร้อยอย่างนั้นก็ปลุกขึ้นมาแล้วก็ดำเนินลูกสาวบอกว่้ยแม่อย่าไปสนใจไม่กี่วันก็สึกอีกละสึกเมื่อกี่ครั้งแล้วแม่ผัวก็บอกว่า้ท่าทางไม่เอาไม่สึกนะทีเนี้ท่าทางแปลกนะแล้วไม่สึกจริงอ่ะนะ ในสุดท่านบวชไม่กี่วันท่านเดินไปเนี่ยพิจารณาไปเด็กก็บรรลุมรกรุผลไปแล้วก็บวชไม่กี่วันก็เป็นระอาหานก็ไม่สุดนี่คือหมายความมาหลีกไปเพราะเห็นความจริงของชีวิตแล้วถ้าเราเข้าถึงความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่ายึดมัน่นถึอมั่นหรอกในโลกเนี้ยแต่ว่าก็โลกก็คือโลกนะฮะโลกก็คือโลกมันก็ทํำยังไงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยนะยันที่บอกว่า ปัญหาในบ้านในเมืองเราปัญหาคุณภาพประชากรที่เราพูดถึงโง่จนเจ็บขาดการวางแผนครอบครัวไม่เป็นปัญหาหลักและเป็นปัญหาจะต้องแก้แล้วถ้าคนเหล่านั้นมีจิตวิญญาณของคนฝ่ายรู้ขึ้นมาในยุคสมัยวิจาการก้าวหน้าอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรเพราะสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยคุณเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยคุณก็เลี้ยงตัวได้แล้ว คุณทำขนมไม่เก่งสักอย่างสองอย่างเนี่ยคุณก็เลี้ยงตัวได้แล้วขายขนมกินได้แล้วเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือทํางานอะไรเนี่ยคื อ, ค, อคือให้มันรู้อะไรให้กรจ่ า, จางแต่อย่างเดียวแต่เชื่อชานเตอรจะเกิดมันทําได้แล้วเพราะปัญหาสําคัญว่าเราแก้เรื่องความไม่ขยันได้ไหมที่จริงก็คือความเกลียรคร้านแต่ไม่กล้าพูดกันนักการเมืองยังไม่กล้าพูดกลัวจะเสียคะแนนไม่ยอมเผชิญหน้าความจริงว่าคนก็เรามีเยอะเกียรคร้านเนี่ย แม้ในวัดในวาเนี่เยอะไปพระเกลียดพระเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงแล้วคุณตกเป็นธาตุบาญมุกไปตกเป็นธาตุสิ่งที่ติดไหมคุณเล่นการปรนานไม้ไนเะไรนี่ยปัญหาตัวเนี้มองให้เห็นความจริงดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้แล้วก็ใช้ตัวเองให้เป็นแล้วแก้ปัญหาได้แต่ไม่ใช่ว่าอะไรก็อยู่ในรัฐบาลอะไรก็ช่วยกัน หนาวทุกปีเรียกร้องบริจาคผ้ากันหนาวถามว่าปีที่แล้วมันหายไปไหนผ้าอะไรที่ข่มอะไรปีเดียวขาดหมดก็ข่มกันไปสิบสิบปียังไม่ขาดเลยมาเคยไปที่จังหวัดเลยไปพักหนะ่ง ท, ท, ที่ที่วัดแห่งหนึ่ง เ, เขาเล่นสต๊อกกันอย่างนี้เองห้องทั้งห้องนี่มีแต่ผ้านุมมนาน่มนะผ้นุ่มไปสิบสิบผืนกองผืนเดินเดินทึกเลยแล้วคูคู่ชายแล้วทั้งนั้นน่ะ ไอ้นี่คือคือแสดงให้เห็นว่าถ้าเราขาดสำนึกเนี่ยเราแก้ไม่ได้เราปัญหานี่คนต้องสำนึกเองแล้วแก้ไขที่ตัวเองเห็นความจริงตรงนี้ว่าปัญหานี้มันซ้าซากไหมเอออุทกภัยวาตาภัยเนี่ยว่าไปอย่างเดนเต้นหนาวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมันหนาวธรรมชาติเลยเราก็ต้องเตรียมตัวไว้พร้อม หรบางครังบางข่าวอย่างเงี้ยเคยไปผู้ดติปักได้เนี่ยไอยังก็น้ําท่วมบ่อยปกครอโยมน้ําท่วมอย่างเงี้ยทําไมต้องสร้างบ้านติดดินอย่างเงี้ยยกให้มันพ้นน้ําที่เคยท่วมได้ไหมล่ะหรือถ้าไม่ยกมันก็ชั้นที่สองเนี่ยมันต้องสูงข้างล่างย้ายมีของมากของท่าที่จําเป็นต้องใช้แล้วก็พอฝนตกก็สามารถขนขึ้นเก็บข้างบนได้และก็มั่นใจว่าน้ําไม่ท่วมถึงชั้นบนเนี่ย ปัญหามันแก้ได้เยอะเลยแล้วเจไว้สัจจะตรงนี้สัจจะธรรมดาธรรมดาในสังคมปัญหาซ้ําๆำซากๆเนี่ยแต่เราก็ไม่พยายามใช้เหตุผลไม่พยายามใช้ความคิดการตัดไม้ทําลายป่าหรือการจับสัตว์ในฤดูวางไข่อยากกินไขป่ปลาต้องการได้กินไข่ปลาอะไรอะไรกันเนี่ยเป็นความคิดที่น่ากเกลียดเห็นแก่ปลาแก่ท้องเกินไปไม่ มีเมตตาจิตต่อเพื่อนร่วมโลกแล้วก็ยังยิ่งเนี่ยฮะเราแม้จะไม่มองที่สัตว์เนี่ยมองที่ความเป็นทรัพยากรทรัพยากรของโลกที่ต้องบริโภคใช้สอยร่วมกันมันมนุษย์ต้องคิดเยอะเลยให้เข้าถึงความจริงสกระดับหนึ่งเราไม่ยอมไปเชิญหน้าความจริงแล้วในสุดเราก็แก้ไขไม่ได้แต่นี้เป็นระดับญาณ น, นะะพูดถึงระดับญาณ แต่อย่าลืมว่าที่จริงระดับปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาก็ทําได้ปัญญาในการแสดงฤทธ์ต่างๆก็เรียกว่าอิทธิวิทยาอันนี้เป็นตัวผลเลยนะครฤทธ์เนี่ยแปลว่าความสําเร็จไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรอ่ะที่จริงมันแปลว่าความสําเร็จเช่นวิชาการทั้งหลายที่ปรากฏในโลกเนี่ยนะคนทําอะไรก็ตามประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งอย่างอัศจรรย์เนี่ยก็ถือฤทธ์ทั้งนั้นเลย นกบินได้ในอากาศแนี่ก็เป็นฤทธิ์โดยกําเนิดของมันเป็นความสเสบียดโดยกําเนิดของมันคือไม่ต้องไปถามนะฮะว่าว่าทําไมนกยิงบิดได้เราบอกว่ามันมีปีกมันก็จะเป็นปนัญหาทันทีว่าไอ้นกกระจอกเทศมีปีกทำไมยิงบิดไม่ได้มันไม่ใช่เหตุผลแต่เหตุผลนั่นคือกําเนิดมันเป็นอย่างนั้นมันบิดได้ทําไมกบจําศีลได้ตั้งนานไม่กินข้าวเป็นความสเสบี็จโดยกําเนิดเขาทําไมใช้เดือนอยู่ในดินอยู่ได้ ทำไมปลาบางชนิดิอยู่ได้ทะเลโดยไม่โผล่กึ่งมห า, หายใจอยู่ได้นั่นคือฤทธิ์เป็นความสมบูรณ์โดยกําเนิดเขาทีนี้ฤทธิ์ตรงนี้ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสามารถแสดงได้ เ, เรียกอิทธิวิธิถ้าแสดงด้วยตัวเนี่ยก็เรียกอิทธิพิชิถ้าแสดงด้วยจิตเนี่ยเขาเรียกว่ามโนมยิทธิถ้าเราไปสังเกตในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ว่าท่านเองเนี่ยสําหรับพระอรหันต์ทั้งหลาย ถ้าในธรรมดาของทา่านอ่ะมันเหมือนกับคนขึ้นเครื่องบินทุกๆวันเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยดำเรือดำน้ำเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยแต่ถามว่าคนเมื่อร้อยปีที่แล้วแกฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราบอกเขาว่าตอนเนี้ยันนั่งคุยกับคนที่อเมริกาได้แล้วก็สามารถจะส่ภาพมาจากส่วนต่างๆของโลกให้เราดูได้เนี่ยแกไม่เชื่อเหรอแล้วแม้แต่ทาให้แกเห็นแกก็ออยังโกหก เห็นไหมว่าสมาคมโลกแบรดเดียงติดเนี่ยยังหาว่าอเมริกาลวงโลกนี่ส่งยานอะนัปโลเพลลงดวงจันทร์ในใจนั่นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่รู้แล้วเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยมันก็เกิดทําได้มันก็กลายเป็นธรรมดาของท่านเหล่านังอย่างพระพุทธเจ้ากับพระหันทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าต้องการจะสั่งงานอะไรพระสาวกเนี่ยสาวกอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่สกีโยดก็ได้นะกําหนดพระไทยโมคขารนะจงมาโมคขารนะไปที่นั้นสารบุตรไปที่นั้นกำหนดในพระไทยเนี่ยก็รู้กันเนี่ยเหมือนโทรจิต เ, เห็นไหมที่จริงถ้าเราพูดปัจจุบันคือโทรศัพท์โทรศัพท์สั่งสั่งการได้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยโทรศัพท์สั่งข้ามโลกไปได้สั่งทูตในส่วนต่างๆของโลกได้เลยเห็นไหมอันนั้นก็คือที่จริงไอโทรศัพท์เนี่ยมันก็ฤทธิ์เหมือนกัน แต่เพียงว่าเป็นวิชามายิทธิเป็นฤทธิ์ที่สําเร็จมาด้วยวิชาการเรือดำน้าเครื่องบินของขอดอะไรอะไรก็ทั้งหมดอัน น, นัแม้แต่พวกปีทาทั้งหลายที่เขาฝึกมันก็ฤทธิ์คือความสําเร็จเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ทั้งก็ฝึกมาทางจิตว่เาเป็นความสําเร็จแล้วก็สามารถแสดงฤทธิ์ในโอกาสที่เหมาะที่ควรได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ใช้ฤทธิ์เนี่ยใช้ฤทธิ์กำราบริษทหรือใช้ฤทธิ์ปราบริษทเนี่ย ปัญหาเยอะที่แก้ไม่ได้เช่นสมมติเราไม่ต้องเอาใครมากนะเอารูปเวลากระจปะซึ่งจะถือว่าเป็นประการใหญ่ที่ขัดขวางการเข้าสู่กบุญราชคจดี์เนี่ยถ้ารู้เจ้าไม่ใช้ฤทธิ์เนี่ยไปเปล่าท่านรูปเวลากระจปะไม่ได้หรอกเขาเรียกว่านานาปาฏิหาริยะเป็นนานาปาฏิหารคืออิทธิปาฏิหารเนี่ยทรงใช้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดครั้งนับแล้วเนี่ยมันสามพันห้าร้อยครั้ง้วยกัน ใช่ฤทธนานมากมากที่สุดนานที่สุดเพื่อกำลาบท่านชดินประธานชดินนี้ให้ได้นั่นก็คือฤทธิ์นะเพราะฉะนั้นพวกพวกนี้เมื่อมันเป็นธรรมดาของพระอรหันต์ทั้งหลายธรรมดาของท่านได้ปิญญาทั้งหลายแม้แต่ปัญญาที่เป็นโลคิยะนี่แล้วก็โสตธาตุวิสุทธิญาณปัญญาอันหมดจดแ่งโสตธาตุคือ คือหทิพนะฮะหูทิพย์ก็คู่กับตาทิพย์ที่วันก่อนที่ได้พูดถึงจกักรสุห้าเราพูดเรื่องตาเราไม่พูดเรื่องหูนะฮะพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเนี่ยเวลากาหนดพวกพวกเนี้พ้นได้ตั้งแต่พัญญาห้าขึ้นไปเนี่ยเวลาสมมุติเราท่านต้องการฟังเนี่ยก็แบบอรกฟังวิทยุเนี่ยเราต้องการฟังเนี่ยเราเปิดได้แต่วิญญามปกติเราก็ไม่ได้ยินหรอกเสียงทั่วไปหมดเลยเราไม่ได้ยิน แต่ถ้าเมื่อกําหนดจะฟังว่าใครพูดอะไรกันอย่างไงเนี่ยจะรู้แล้วจะไม่ไปฟังคําพูดที่เรื่องร้ายสาระของใครหรอกเพราะว่าใจท่านบริสุทธิ์เช่นว่าพระนั่งคุยกันเนี่ยพระเจ้าจะกําหนดด้วยพระโสตธททาต่เป็นทีฟังดูว่าพระคุยเรื่องอะไรกันถ้าคุยเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวไม่เกิดสงสยัยไม่เกิดขัดแยง้งก็ปล่อยคุยไปถ้าชักจะไม่ได้เรื่องชักจะขัดแยง้งหรือชักจะสงสยัยพระเจ้าจะทําทีเสด็จ เสด็จพระก็เห็นพระเจ้าเสด็จก็รู้กันนั่นนะฮะก็เตรียมอาสนะไว้พระเจ้าก็เสด็จแวะเข้าไปรับสั่ประรบขึ้นนะฮะคุยเรื่องอะไรการภิกษุอะไรหลายเรื่องอะไรที่หยุดเนี่ยเล่าฟังที่บรรยากาศอบอุ่นนะครับพระพุทธเจ้าในบรรยากาศอบอุ่นมากร บ, บรรยากาศเป็นกันเองก็ออยังนึกถึงพระสมัยเนี่ยเป็นเจ้าน้ําเจ้าขุนกันเมื่อกี้เป็นเจ้ขุนมุนนายเจ้าขุนมุนามนายเข้าถึงยากเหล็กเกไม่อบอุ่น หลวงพอจ้าจะอบอุ่นมากเลยแม้แต่เราอ่านพระไตรปิฎกในอ่านพระไตรปิฎกในบางทีน้ำตาไหลนะคือซาบซึ้งดื่มด่ามากเลยว่าอบอุ่นจริงๆเลยเพระมหากรุณาในเย็นเย็นคือรู้สึกเย็นมาแม้แต่อ่านพระไตรปิฎกยังรู้สึกเย็นเบรรยากาศนี่ดีเขาเรียกว่าสุขขชยาคือร่มเงาที่ให้ความเย็นเย็นมาเพราะฉะอันเนี้ยคือที่จริงๆที่จริงก็คือทิพโสตคือหูทิพนั่นเอง แล้วก็เจโตปริญาในะนี้เราเ ค, เคยผ่านมาแล้วนะครับ่อยู่ในปั่วปัญญาคือรู้ใจคนทายใจคนได้ปัญญาในการกําหนดรู้จิตของคนด้วยจิตของของตนเองคนนั้นมีราคะมีโทสะมีโมหะมีศรัทธาเป็นยังไงสติเป็นยังไงความเพียรเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจะรู้หมดและจะแสดงธรรมะนีสอดคล้องกับพื้นฐานของบุคคลคนนั้น นี่ก็คือญาณหรือปัญญาเราก็แล้วแต่จะเรียกส่วนใหญ่จะเรียกว่าญาณ น, นะพวกล่วนี้ก็นำสำรวจเป็นการศึกษาให้เห็นถึงว่าเรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องเดียวกันเมื่อท่านไปจำแนกแสดงไ้มันจะมีความพิสดารแม้แต่คําคําเดียว ตรงนันอาจมันลึกเรียกคำพิโรธคือลึกซึ้งดุดะโสดุรากด้ยากดุรานุโบ้ได้ยากลำหลักการทั้งฝังทั้งหลายแต่รมประภวตยาในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูุญในธรรมจงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี